อาสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่66